วันนี้เป็นวันอุบโบสถเป็นวันธรรมสวนรพวกเราพุทธศาสนิกนชนไปมารวมกันที่สา ร, ราการประเรียนเ <c oughs> บืองต้นก็มา ก, การกราบไหว้ทำวัดสวดมนต์นี่เป็นเบืองต้น ที่พวกเราทำกันมาเสียชินไปแล้วต่อไปฟังธรรมะธรสอนของพ ร, ระพุทธเจ้าการกระทำของพวกเราที่ได้ทำมาทางพระศาสนาหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ ร, ริมงคลไม่ใช่ทำชั่วทำเสีย ต่อการกราบการไหว้การทำวัดสวดมนต์เป็นการระลึกนึกถึงถ พ, พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ได้ระลึกนึกถึงทางส่วทางเสียพระพุทธเจ้าท่านเป็นปูะเสรฐดีเตษไห่มี้กิเลสตัณหาอันใดแสงในพระไทยของพระองค์ ท่านมาในลุ่มลงเปิดเินในโลกเหมือนพวกเราท่านถึงมีกิเลสตัณหาเป็นผู้นำพาพระองค์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ปุดผองเป็นผู้เระเสริฐทางด้านจิต ด, ด้านใจไม่มีใครจะเสมอเหมือนพอใจของท่านบริสุทธิ์วีมตุตคนจากกิเลส เป็นจิตเป็นใจที่วิเศษปรเสิริฐสุดพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจพลังของกิเลสของตัณหาข่วมทับจิตใจของตัวเองบางวันก่อดีบางทีก่อชั่วบางครากวก่อชอบบางครากวก่อตำหนิเพราะจิตใจถูก จิตเละตันหาละพาไปจิตใจไม่เที่ยงตรงจิตใจไม่คงที่แต่พวกเราก็ไม่เห็นเวียนภัยของมันยังชอบยังพอใจกันอยู่ถือว่าสนุกสนานการเป็นอยู่ของตัว ไม่ได้คิดหาทางที่จะแก้ไขขับไล่เรื่องชีเลตันหาให้หลุดให้ตกออกไปจากใจหาแจกสิ่งที่มาส่งเสริมเติมต่อให้ชีเลตันหามีกำลังก้าแสบเผาจิตใจของตัวเองให้เราร้อนให้เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องจิตของผู้ทุชนคนหนาธรรมดาโดยส่วนใหญ่ การที่จ ะ, ะําระสาสางจิตใจของตัวเองนั้นไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้นึกไม่ค่อยได้ฝึกได้ทำจิตใจจึงมืดดำบอดหนวกเลื่อยมาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นตัสรู้ในโลกจะจี่รอยองค์พันองพวกเราท่านก็ยังหลงยังมืด ดังบอดอยู่ฉะนั้นพวกเราท่านจึงไม่ได้จิตตามสเสด็จพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สาารูุไม่มได้ปรินิพานไปตามท่านยังเรียนไหวใยเกิดอยู่นในวัฏสงสารเลื่อยมาถ้าหากไม่มีการำํำระสะสางเรื่องจิตใจก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรจีกับจีกันจึงจะพ้นจากทุกข์ ก็คงจะไม่มีเวลาพน้นเวลาหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดจากทุกข์จากอยากจะลำบากเดือดร้อนต่างๆเพราะเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันกับเรื่องของกายกายของเราเมื่อไม่ได้ทานอาหารนิ้วโหยจะบนอยู่เท่าไรแต่ก็ไม่ทานลงไปก็ไม่มีวันอิม่ม มีแต่วันหิวโหยเรื่อยอไปลำบากอยากเย็นเรื่อยไปเลือดร้อนเลื่อยไปใจของเราก่อฉันนั้นเมื่อใดเราไม่ได้สำลักสารไม่ได้คิดอ่านหาทางจะออกจากทุกข์ไม่มีการแจกให้จีเรตันหาภายในใจใจนั้นก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวาย เวียน่หยตายเกิดเลื่อยไปนับพบนับชาตินิได้นี่เป็นเรื่องท้องใจถ้าหากเราหมั่นที่นี้พิจารณาแก้ไขอาศัยธรรมะของพระพุธทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องทางจิตใจให้ส่วนใดที่ควรลาควรถอนพยายามลาถอนพยายามขับไล่ สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้ตกให้หมดออกไปใจก็จะสะอาดใจก็จะสว่างใจก็จะตกสงบใจก็จะต้องเย็นมีความสุขความสบายเป็นระยะระยะไปเหมือนกันกับคนทานอาหารถึงยังไม่อิม่มเรายังทานอยู่ก็รู้สึกว่าร่างกายนั้นๆก็ค่อยหมดตามหิ้วเรื่อยไป จนกระั่งถึงอิ่มแล้วก็หมดสิน้นเรื่องความหิวเมื่ออิ่มแล้วอาหารจะเหลือมากน้อยขนาดไหนก็ไม่จเป็นจะการที่จะรับทานอีกพะความอิ่มพอของถาดขันทำคำต่างนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราท่านหากพยายามทำตามโอว่ามันประพฤติมันปฏิบัติ มันชำระสะสมตั้งใจอยู่สม่ำเสมอไปใจที่เคยมืดเคยบอดปอดนับวันจะสว่างสบายนับวันจะเย็นัยในการเกิดการตายเป็นทางนำความสุขความสบายมาให้แก่ใจของตัวเองแต่เราโดยส่วนใหญ่ด้วยอำนาจความมืดบอดของใจเพราะชีียตัญหาเป็น เครื่องนำหน้าเลยไม่คิดไม่นึกไม่สุกตัวเองคิดว่าตามเป็นอยู่ของตัวสะดวกแล้วสบายแล้วสุขแล้วดีแล้วเมื่อเห็นว่าสะดวกสบายเห็นว่าดีมีสุขก็ไม่อยากหนียินดีพอใจในชีวิตไม่คิดหาทางที่จะสํสาระสัตย์สัง เรื่องของใจที่ก่อให้เกิดแต่นั้นจึงไม่มีการจบการสิ้นในการเวียนว่ายตายเกิดของตนความจริงถ้าทีนี้ที่ารนาใจที่มีจิตเดชตัญหาก็พอจับได้แต่ความสุขความสบายของจิตของใจส่วนนั้นเพราะความหลงไม่ใช่ความรู้ที่ผลทุกข์ กนไภ่ใจชอบใจยินดีก็เกิดสุขสุขเพราะอามิ t รติดข้องในจิตในใจอันนั้นก่อของเราอันนี้ก็ของเราก็เลยติดเลยข้องเลยยิน ด, ดีในวัตถุต่างๆผลจริตเรื่องวัตถุก็เป็นของอนิจจังไม่ตั้งมัน่นแต่ไปตามสภาพของมัน เมื่อสิ่งที่เราชอบเรายินดีเราจิดใจเสื่อมโทรมลงไปหรือแตกสลายไปเราจึงเสียใจร้องไห้โศกเศร้าเจ้าจุกนี่คือคามยึดของจิตของใจที่เรียกว่าโมหะหรืออุปาทานหรืออวิชชา ของจิตของใจทำให้ตัวเองไม่สบายถึงร่างกายจะไม่มีโรคภัยอะไรแต่ด้วยอำนาจสิ่งที่เราถือเราหวงเรายึดเราถือจากเราไปร่างกายไม่มีโรคภัยใจใจก่อเกิดความทุกข์ความทุกข์ของใจเมื่อมีมากกนสามารถ ที่จะทำให้กายของเรา <c oughs> ได้รับความปันปวนได้รับความเหน็ดเหนื่อยเพราะเหตุใดเพราะใจที่ไปคิดไปปรุงในส่วนนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ถึงทำท่าหลับตาถึงเรานอนมันก็ไม่ยอมหลับมันคิดมันปรุงมันปุ่งมัน เดินอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตนี่คือจิตที่ไม่มีอัดรรมไม่ว่าคิดไปในแง่ดีหรือคิดไปในแง่ชั่วในทางโลกทางสงสารในเรื่องการไิเลีต่างๆสามารถิตกรุงจนหลับไม่ได้กินไม่ได้มีผถมเถไปผลที่สุดตัดสินใจกินยาตาย แผนคอตายเพราะด้วยเรื่องของกิเลสตันหาด้วยใจที่คล่องจิตคิดนึกในสิ่งนั้นนั้นไม่ได้ตามปรารถนาของตัวก็เลยตรงไม่ได้วางไม่ได้ผลที่จุดตัวเองตายไปตามทำนองนี้ผมเคยมีนี่คือเรื่องการหม่ยชำระสาสางจิตใจ ความจิ้งเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่ ส, สางได้ในเหลือวิสัยใจที่คล่องจิตคิดนึกต่างๆยึดถือสิ่งต่างๆหากมีธรรมเข้าไปํำระสาสางใจที่คลองจิตนั้นๆนก็จะเบาบางหรือละถอนไปแต่นั้นทันจึงให้มีสติมีปัญญาชนิดที่เจรณ า, าให้รู้ ให้เข้าใจในสังขารผั่วไปสังขารนั้นนั้นมันเป็นอย่างไรให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นเ <_ co op> มื่อใจของเราท่านรู้เห็นเด่นชัดในตัวเข้าใจไปจับในเรื่องต่างๆแล้วว่าสิ่งต่างๆเกิดมาจะต้องมีแต่ป้วนหรือแตกสลายไปใจก็ไม่ไปยึดไปติต ไปคิดไปปรุงเพราะเข้าใจแก่มแจ้งชัดเจนในตัวสิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างไรก็เห็นตามสาภาพความจริงของมันเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีการเสียใจที่รายลำพันธ์ต่างๆนี่หรือจิตที่ถูกธรรมะตะสางถูกธรรมะทำความสะอาดให้ใจก็เลยได้รับความสะดวกสบาย แต่การฝึกจิตเป็นของฝึกยากเพราะไม่มีตัวมีตนนอกจากผู้ที่จะตั้งหน้าตั้งตาที่นิพิจณามีสติรักษาอารมณ์ของตัวสม่ำเสมอจึงจะรู้ว่าจิตจิตนึกไปในทางดีทางชั่วได้ถ้าหากขาดสติ <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะรักษา ถึงภูเขาหรือกำแพงจะหนาจะใหญ่ขนาดไหนจิตก็ข้ามไปได้จิตเป็นของรวดเร็วเป็นของไปง่ายไม่มีอะไรกันก้นกลางเอาไว้นอกจากสตินอกจากปัญญาและเร็วที่สุดลูกปืนหรือเครื่องบินจี่เขาว่าเร็วก็สู้เรื่องจิตไม่ได้ สถานที่ที่เราเคยไปเราระล ức, ึกแคบเดียวถึงสถานที่เหนั้นทั้งทั้งที่ตัวของเราอยู่นี้แต่จิตมันปรุงมันคิดไปถึงง่ายง่ายเร็วยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่องของจิตถ้าหากมันเป็นวัตถุความปรุงแต่งคือจิตที่นื้คิดของคนในโลกจะโดนกันตาย วันละหลายหลาย้ า, ยานคนนี่มันไม่เป็นวัตถุทํานองนั้นจะนึกคิดไปแห่ไหนไปที่ใดมันก็เป็นแต่นามัรรมคือความนึกคิดเท่านั้นมันจึงไม่โดนกันตายแต่ความตายของจิตก็ยิ่งตายง่ายกว่าเรื่องของกายเรื่องวัตถุหยา บ, ยบ จากสัญญาอารมณ์แต่เช้ามาจนถึงนี้ความนึกคิดจิตข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆที่มันไปก่อไปอาศัยมันปล่อยมันวางมันร่มมันตายมาแล้วเท่าไหรโดยส่วนใหญ่ไม่่อยได้คิดนี่คือจิตขาดสติไม่มีผู้รักษาเราก็วักเป็นจิตของเราแต่เราไม่รักษาจิตจึงเป็นที่ไหลรวมแห่งชีวิตตัญหา ใจรวมถึงความชั่วต่างๆ <c oughs> มามักหมมในตัวของตัว <c oughs> คิดไปในแง่ชั่วแง่เสียโดยส่วนใหญ่ทางธรรมะท่านากกจึงใถ้ฝึกจิตอบรมใจให้เข้าใจท่องแท้ในสิ่งต่างๆถึงพระพุทธเจ้าท่านเนี้ยท่านสอนท่านฝึกท่านอบรมตัวของท่านมา เบื้องต้นท่านไม่ได้พิจารณาอะไรอื่นที่จะทำกิตทำใจให้เบื่อหน่ายในการเกิดการตายพิจารณาเรื่องคนแก่เพราะท่านเสด็จปราภาษราชอุทยานไปพบคนแก่แล้กวก็พิจารณาว่าเราเป็นผู้ที่มียศใหญ่ เป็นเจ้าเป็นนายเป็น ก, กษัตริย์ของคนทั่วไปบังคับบัญชาไถ่ฟ้าไถ่ชาราบบังคับได้แต่เขาทําอย่างนั้นแต่เขาทําอย่างนี้ให้เขาไปทางนั้นให้เขาไปทางนี้บอกได้แต่จะบังคับกายของตัวเองหรือบังคับกายของคนอื่นไม่ให้แก่ไม่มีอํานาจวาสนาไม่มีอาวุธยุศโธปกรณ์อะไรที่จะไป ถกัดกัน้นไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดมีขึ้นตัวของเราพอเป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วไปก็เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความแกรซึ่งเราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นมาจากอะไรทำไสนเราจรึงจะรู้จะเข้าใจไปจากชัดเจนในตัวของเราก็เลย ไม่เปิดเชินในการจี่จะไปชมพระราชอุทยานกับเข้าสูบปราดสวังทีนี้พิจารณาเรื่องความแฉ่อยู่เรื่อยๆไปได้จิตในใจไม่เปิดเชินไปในเรื่องกา ร, ร ม, มัจิเลสต่างๆต่อมาวันหลังนึกอยากจะไปเที่ยวอีกไปดูอีกก็เลยไปพบคนเก็บก็พิจารณาอีกเรื่องเก็บ วันหลังไปพบคนตายก็พิจารณาเรื่องคนตายอีกนี่พระพุทธเจ้าดูสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาสอนพระไทยของพระองค์ผลที่สุดวันที่สี่ที่ไปพบสมณะเห็นกิริยาม า, ายยากงามตาสังรวมระวังทำท่าเหมือนกันกับว่าฉันมีความสุขประเสริฐก็เลยติ ด, ต ด, ต ด, ตดจิตจิตใจ นี่หมายถึงปุคลาทิ่ฐานที่พวกเราท่านเคยศึกษาตามตำลับตำราหากวกเข้ามาเป็นธรรมาทิ่ฐานภายในความแก่ความเจ็บไข้ความตายมันมีอยู่ในกายของเราควรจะพินิจรนารณาให้รู้เท่าเข้าถึงอย่าไปติดไปข้องในสิ่งนั้นนั้น พิจารณาให้เห็นว่าเกิดมาแปรปวนและแตกสลายไม่ว่าวัตถุที่มีชีวิตรหรือหาชีวิตไม่ได้จะจิตแตกแตกต่างกันก็นกแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นสิ่งนั้นนั้นจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันจะต้องเป็นการผูกไปเมื่อทุกท่านกําหนดพิจารณาเอาไว้เลยว่า ร่างกายของตัวเองเห็นแจเห็นเจ็บเห็นตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจไม่ฟุ้งตรงไปทางนอกความสงบคือสมณะก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นสมณะภายในใจเมื่อสงบไม่วิ่งวุ่นงงแต่จิดนึกใจก็ได้รับกำลัง ใจก่อได้รับความสุขพวกเรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้จึง เ, เิดเชิญหลงไหลไปหาความสุขอันใหม่ซึ่งนอกจากหัวใจของตัวเองไปหาความสุขที่ไหนก็เหมือนกันกับไล่ตะคุกเงาไม่มีเวลาที่จะจับตัวมันได้เราไล่ไลมันก็วิ่งไปเรื่อยไม่มีเวลาทันความอยาก ของกิเลสตัณหาภายในใจพอทำนองเดียวกันเราอยากเท่าไรหาอะไรมาให้มันก็ไม่มีมีเมืองพอได้อันนี้ยังอันใหม่ความอยากของใจเป็นอย่างนั้นความเป็นของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่านัตติตัณหาสมาณะทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาคือความอยากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด ในโลกอันนี้ก็คือมหาสมุทรทะเลเป็นแม่น้ำที่ใหญ่จนสุดสายหูสายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นฝั่งได้ถึงขนาดนั้นก็ยังมีภาหนะสามารถที่จะขี่ข้ามไปได้อย่างเครื่องบินหรือเรือเขาข้ามไปได้ เร่องความลึกของน้ําจะลึกขนาดไหนก็มีเครื่องวัดรู้จักมีเครื่องวิทยาศาสตร์สมัยนี้คํานวณได้ว่าสถานที่นั้นลึกขนาดนั่นฟบขนาดนั่นเมตรเขาทราบได้แต่เรื่องของกิเลตัญหาวัดไม่ได้กว้างขวา ง, วางใหญ่โตยิ่งกว่าแม่น้ําทั่วไป นอกจากจะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรือเป็นพาหนะที่จะขี่ข้ามกิเลสตัณหาที่ท ก, กว้างาใหญ่ส่วนเครื่องบินหรือเรือธรรมดาไม่สามารถที่จะขี่ข้ามเรื่องกิเลสตัณหาไปได้ ว่างเลือเกินใหญ่เลือเกินเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนับครบนับชาติไม่ได้ก็ยังข้ามไม่ได้ไม่ว่าแต่ชาติหนึ่งชาติเดียวมันเป็นมาอย่างนั้นเรื่องจิเลตันหาจึงเป็นของสําคัญหากผู้ใดทําลายเรื่องจิเลตันหาได้ผู้นัน้นถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษ สาต์ทั้งหลายนิยมอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วท่านตีฝึกอบรมตัวของท่านเมื่อไปถึงจุดเรมตดคือการพ้นจากที่เหลือตันหาท่านจะทราบเองในตัวของท่านว่าความสุขความประเสริฐความวิเศษไม่มีอะไรอีกในโลกที่จะเลิศจะประเสริฐวิเศษสุขเหมือนจิต ที่เป็นมีมุตจิตที่หมดกิเลสตัณหาถึงคนอื่นทั่วโลกเขาจะไม่เห็นไม่รู้ไม่ชมเชยก็สั่งเขาแต่ตัวของท่านมีความพอใจมีความเต็มใจมีความดื่มดำ่ำมีความพอดีมีความบริสุทธิ์อยู่ในความเห็นความเป็นของท่านถึงร่างกายจะแตกสลายไป ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรอีกที่อยากได้หมดบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในจิตในใจนี่พวกเราที่มีจิเต劣ตัญหาไม่เป็นทํานองนั้นนับวันนับเวลาที่กิเต劣ตันหาก่อขวรให้ได้รับทุกข์เลื่อยมาแต่เวลาเป็นเด็กยังไม่รู้เรียงสาอะไร ความอยากของใจตัวนิดๆไหนหน่อยไม่ค่อยจะมีอะไรมากใหญ่ไฝ่สูงยังได้กินอิ่มนอนหลับไม่ได้คิดปรุงว่าอยากได้อันนั้นอยากมีอันนี้จิตที่จะจิตข้องในจิงต่างๆน้อยกว่าระยะเวลาที่เราเติบโตขึ้นมายิ่งเจอ โตขึ้นมาเท่าไรใจปรุงใจคิดใจติดใจคล้องไปต่างๆนานาสิ่งที่มันคิดมันปรุงโดยส่วนใหญ่มันก็นำภัยมาให้เพราะความอยากของใจเรียกว่าตัณห า, อย า, อ, ยาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ได้มาแล้วก็หุงหัวงไม่อยากให้จากไปไม่อยากให้หลุดไปไม่อยากจะให้แฟปวนไป ตามจิตของใจจิตไปในแง่นี้จึงเกิดทุกข์ขึ้นถ้าหากจิตใจถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็แปรปวนแตกสลายตามธรรมชาติของมันไม่ว่าพียงที่มีชีวิตหรือหาชีวิตไม่ได้ธรรมชาติสิ่งนั้นนั้นหรือสังขาร น, นั้นนั้นจะเป็นไปเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะ คงทนสาวร อ, อยู่ได้เข้าใจไปจากชัดเจนเห็นแจ้งในตัวมันก็หายจากความยึดความถือเห็นตามเป็นจริงแล้วแต่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจอย่างนั้นมีจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นใหญ่ขึ้นมาเติบโตขึ้นมาวิเลตตัญหามากขึ้นสิ่งที่แต่เป็นเด็กไม่เคยยาก สิ่ง่หม่จจำเป็นต่อชีวิตก็ถือว่าเป็นของจำเป็นนี่คือเรื่องของปัญหาเรื่องของกิเลสเรื่องของอาธรรมดังนั้นพวกเราจึงวิ่งวุ่นสแสวงหาสิ่งที่ตัวต้องการแต่ทันิพผานซึ่งเป็นที่ผลทุก์น่อยหนักหนาเป็นที เป็นเดือนก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปนิพพานอยากจะพ้นทุกข์มีแต่คิดเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องหัวเรื่องเมียเรื่องสมบัติพัดสถานวุ่นอยู่ในนั้นไม่มีวันที่จะคิดแก้ไขใจของตัวให้สงบให้สบายเมื่อตัวผูกตัวอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะไปแก้ไขให้เพราะตัวผูกตัวเองณวันที่จะ มัดแน่นเข้าไปผลที่สุดคนที่ผูกแข้งผูกขาผูกแขนผูกมือแล้วจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเพราะเราผูกตัวของเราไว้จะไปที่ไหนก็ไปยากติดดูที่เราติดข้องในสมบัติเข้าของต่างๆทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทรา เขาไม่รู้เขาไม่มีชีวิตจิตใจอะไรแต่เราก็ไปหวงเราก็ไปหวงไปติดไปข้องทั้งทั้งที่เราหาเขามาเอามาไว้แต่เราก็ไปยึดไปถือไปติดไปข้องเขาว่าของอันนั้นของเราของอันนี้ของเรามนี่ความติดข้องของใจความยึดความถือของใจ เมื่อจริงนั้นนั้นมันไม่อยู่ตามความต้องการของตัวแปรปวนไปตามสภาพของมันหรือมีผูกคนรักสุกปลนสะดมไปก็เลยเสียใจร้องไห้เดือดร้อนนี่ความหลงข้องใจโดยส่วนใหญ่เป็นทั่วไปซื่อผู้ที่มีใจยังมีกิเลสตัณหาไม่ได้ําระสาสางมักยิดมักถือมักคิดมักปรุง ไปในทางหนอหนอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐวิเศษที่พวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นสารณะท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านมีเหมือนกันธาตุขันธ์กับพวกเราผมขนแล้วฟันมีมีเหมือนกันธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกั น, น, น, กนและสมบัติพัสฐานของท่านยิ่งนี้มากกว่าพวกเรา แต่พระพุทธเจ้าท่านพินิษฐรนารู้เห็นไปจากในกิจในใจว่าสิ่งทั่วไปเป็นเครื่องอาศัยส่กระยะสัวรเวลาแล้วก็จะได้จากเข้าไปเราไม่จากเข้าไปเขาก็จะจากเราไปเขาไม่จากเราไปเราก็จากเข้าไปนี่เป็นธรรมดาของโลกเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะหอบหิวหาบหามจริงจี่ตนหวงแหนหนันนั้นไปได้ทั้งทั้งที่ยึดอยู่ถืออยู่ก็เอาไปไม่ได้พระพุทธองค์ที่นี้พิจารณาหาพยายามเพื่อแก้ไขจิตใจที่รุ่มหลงคือคนที่ล้มหายตายไปเขาได้อะไรไป เขาเกิดมีอะไรติดตัวเข้ามานี่เป็นเรื่องพยานที่เราเห็นโดยตาเราคิดโดยใจพอทราบได้จึงไม่ควรยึดไม่ควรถือไม่ควรลุ่มควรหลงจนเกินไปหมันสำลระทีนีพิจารณาแจกไขใจของตนที่ติดข้องใจก่อนจะเกิดความรู้ความเห็นเกิดยานคือความเห็นแกก ในตัวของตัวเองแล้วไม่ยึดถือในจิ่งนั้นเมื่อไม่ยึดถือไม่แบกหามมันก็เบาสบายเหมือนกันกันกบเราเคยหากหามของหนักๆมาแต่วางลงได้งลงได้ปล่อยมันไปแล้วความเบาของกายของเราจะเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกว่าเบาว่าสบายม่เหมือนแบกอยู่หามอยู่ หาบอยู่หิวอยู่จิตใจที่ละที่ถอนกิเลสตัณหาได้กว่าทำนองเดียวกันมันเบามันสบายมันดีมันวิเศษนี่คือพระพุทธทเจ้าท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วเป็นอย่างนั้นท่านจึงชมเรื่องจิตใจที่ชำระกิเลสตัณหาออกไปเป็นจิตใจที่ประเสริฐจิตใจที่วิเศษแต่พวกเราไม่เคยปล่อยวางละถอนสิ่งเหล่านี้ ก็เลยถือเอาอะเป็นของดิบของดีพูดง่ายง่ายพวกเราก็บ้าหาเจ็บเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทิงว่าเป็นของดิบของดีเหมือน ก, นกันกับคนบ้าที่ไปหาเจ็บเศษกระดาษหรือเครือบขาดขาดทิ่งๆิตามถนนท้นทางมาทำเป็นสร้อยมาทำเป็นเงินเป็นทองนี่คือความเห็นความเป็นของคน วิปริคิดตรงผิดกับคนธรรมดาปุถุชนคนหนาก็คิดตรงผิดแปลกแตกต่างกับพระอริยะเจ้าไม่เหมือนกันท่านจึงว่าเจ็ดปุถุชนชนด่าไปไม่ทราบอะไรดีชั่วผิดถูกพระพุทธเจ้าท่านปล่อยท่านวางทันละท่านข่งลาบยศท่านละเสริญสุขที่เคยมีที่เคยชอบ เคยจิตในจิตในใจถ้าเป็นพวกเราเราท่านจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมมีอะไรก็ยึดกบหวงกอ็หว ง, หวงจนไปไหนมาไหนลำบากกายลำบากใจพอถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของของเราพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นปราศาสตร์วิมานของท่านก็เป็นปราศาสตร์วิมานที่หนาอยู่ห่าอาศัย นักแตนมของท่านก็มีจำนวนใหญ่ไม่ใช่คนสองคนเหมือนพวกเราแต่ท่านก็ไปติดไม่ค้องสมบัติพัตสถานต่างๆเขาของเงินทองมีมากมาย ก, กายกองท่านปล่อยทิ้งเราเลยไปเก็บเอของทิ้งมาเป็นสมบัติของเราคนนั้นรวยอย่างนั้นคนนั้นดีอย่างนี้เลยไปติดไปข้อง ไปเพลิดไปเพลินความจริงจริงที่เราจริตเราคว่องเราเปิดเราเพลินถ้าหากจิตยังไม่รู้เห็นในอัตในธรรมนั้นก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าแต่คารวะพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันยอมจิตคล่องยอมยึดถือเพราะจิตยังไม่รู้เห็นตามเป็นจริงจะต้องเกาะต้องอาศัยในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นจิตใจที่ยังไม่ได้สำลักาสาสัง จึงเ ป, เป็นจิตใจที่มืดบอดไม่สามารถจะรู้เห็นว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้เด่นชัดเมื่อไม่เห็นก็ไม่กลัวไม่เกียดเหมือนตาของเราไม่เห็นถึงเราจะไปนั่งอยู่ข้างเสือแต่ตาของเราไม่เห็น่น่าบหรือเสืออยู่นั้นเราก็ไม่กลัวมันจะกัด จะกินเราเพราะไม่เห็นในเกลียดตาของเราไม่เห็นถึงเราจะไปเหยียบอุจจาระของเน่าของเหม็นขนาดไหนเราก็เหยียบได้เพราะตาเราไม่เห็นถ้าตาเราเห็นเรากลัวเราเกลียดไม่ยินดีที่จะนั่งกับมันนอนกับมันอยู่กับมันเรื่องของขาดขันก็ทํานองเดียวกัน ถาดขันนี้มีหน้าที่แป่ปวนแตกสลายเป็นที่เกิดโรคไข้ไข่เก็บต่างๆแต่เราก็ชอบเราก็ยินดีเราก็เตรียมใจพะเห็นว่าถาดขันมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นเหมือนกันกันกบคนไปจับคองงูเห่าเข้าใจว่าเป็นปลาไปเทียเป็นจริงที เป็นอาหารลปเสียไม่ทราบว่า ง, งูมันมีพิศมีภัยขนาดไหนถ้าหากยังไม่ทราบไม่เข้าใจก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางยังถือยังจับอยู่นั้นฉันใดจิตของพวกเราท่านที่เกาะเรื่องกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันเพราะไม่เห็นพิดเห็นภยัยว่ามันให้โทษอย่างไรแต่ตัวของตัวก็เลยถือเลยยึดเดนนั้นจึงมีการร้องไห้หัวเราะ มีการดีใจเสียใจไปต่างๆทั้งๆ ท, งที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบไม่เข้าใจว่าเราชอบเขาเรารักเขาเราติดเขาหน้าจีบของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามทรรนองของธรรมของเขาแต่เราไปยึดเรื่องจิตยึดใจถือจึองเป็นของสาคัญ หากเราไม่สำลักสาสางไม่ที่นี้พิจรารณาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขมันได้มันจะยึดเลื่อยไปจะให้มันละเองถอนเองเบื่อเองอินมเองเป็นไปไม่ได้ถึงอายุแก่ขนาดไหนมันก็ยังไหลลงไปสู่ฝ่ายต่ำฝ่ายสั่วฝ่ายเสียอยู่เสมอไปผู้ที่มีอุปนิสัยเคยฝึกอบรมธรรมธรรมโมมีศรัทธาอยาก รดับรับฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่ามีความเบาความสบายมาพอสมควรคิดได้เป็นระยะเป็นเวลาอยากต่อพื้นปฏิบัติกำจกัดกิเลสตัณหาผู้ที่มืด บ, บอดอยู่ทุกการทุกเวลานับแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยสนใจอะไรเรื่องธรรมะธรรมนองนั้นมันก็มีเหตุนั้น เรื่องพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายหลายหลวงไม่ใจองค์หนึ่งองค์เดียวเพราะสัตว์โลกมันมีมากมันมีหลุมหลุมโดนโดนสูงๆต่ำต่ำอย่างที่ท่านกล่าวเอาไ ว, บว้บัวสีเหล่าต้นน้ำโผล่จากน้ำแล้วก็มียังอยู่ระดับน้ำก็มียังอยู่กลางน้ำก็มียังอยู่ในเปลือกตมก็มีมันมีหลายเหล่าคนเราก็เหมือนกัน มันมีหลายเหล่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่พอแะแนสอนไปได้ท่านก็สอนไปคนเหล่านั้นก็รู้เห็นเข้าใจชัดเจนปฏิบัติตามจนละเรื่องกิเลสตัณหาท้านทุกไปได้ปณิพานตามพระองค์ไปพวกที่ยังมืดบอดอย่างพวกเราก็ยังงมเงากันอยู่นี้ ไม่ทราบว่าวันใดเวลาใดจิตใจจึงจะโฟกจะพ้นจากวิเลศตัณหาเหมือนบัวโฟก้นจากน้ำพอถูกแสงอาทิตย์ก็จะแย่บานนี่ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือน ก, นกันกับแสงอาทิตย์ผู้ทีม่มีอุปนิสัยมีวัสนาเคยฝึกอบรมมาเพียงพอบริบูรณ์เพียงแตนะ่เนีย สอนนิดนิดหน่อยๆจิตใจของคนเหล่านั้นก็เบิกบานรู้เห็นเด่นชัดเข้าใจในอาจทำที่ได้สอนไปบูงทียังไม่มีวาสนายังต่ำตามอยู่ก็ต้องอาศัยพยายามสอนบ่อยๆพวกประชาประละม์ก็ไม่มีทางที่จะสอนได้ สอนเท่าไรก็ไม่ทราบไม่เข้าใจมืดบอดเลื่อยไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหลายองค์คอยแนะสอนพวกกิยังอ่อนยังต่ําองค์นี้ปริญญาพานไปองค์ใหม่มาแต่จะรู้อีกสอนสัตว์ที่ยังขวางติดคิดตรุงในเรื่องกิเลสตัญหาไปอีกหยิบไปสวยไปองค์นั้นเอาไปบ้างองค์นี้เอาไปบ้างแต่มันก็ไม่หมดเรื่องของสันโลก มันมากหากมันเป็นเนื้อเป็นตัวโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นวัตถุตัวทั่วไปแล้วโลกอันนี้ไม่มีที่เหยียบที่ย่างแต่ในร่างกายของเราก็ยังมีพวกสัตว์พวกจิ ต, ตเข้าอยู่อาศัยไม่ใช่แต่ตัวของเราคนเดียวนะมันมีมากอยู่ในตัวของเราก็ดีโครคไข้ไข้เจ็บร้อนเจ็บ เป็นของมีชีวิตอยู่ในไส้ก็มีอยู่ในตับก็มีอยู่ในเส้นในเอ็นในกายมีทั่วไปนอกจากนั้นที่เรียกว่าสามภเวสีแสวงหาที่เกิดก็นับไม่ได้มีเต็มโลกพูดง่ายๆสาตร์มันมีมากขนาดนั้นมันไม่ใช่มีแต่งจเราคนเดียวมันมีมาก แสนมากการมาเกิดเป็นมนุษย์ทานจึงว่าเป็นลาบอันประเสริฐแต่ก็เป็นมนุษย์พูดเองว่าเป็นของประเสริฐประเสริฐอย่างไรเพราะมนุษย์เรามีใจอันสูงสามารถที่จะกระทาบบำเพ็ญคุณงามความดีให้ทวีคูณได้สามารถที่จะํำระสารกิเลสตัณหาได้สามารถที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ได้สัตว์อื่น ไม่มีขนทางสันเรียกว่าพระพาสัตว์อภ菩萨คือสัตว์ที่ควร ต, ตรัดรสัตว์ที่ไม่มีขนทางที่จะ ต, ตัดสัตวมันผิดกันแต่นั้นเราถิ่มนมาเกิดจึงเป็นโชคลาภของพวกเราแล้วก็มันทีนี้พิจาณามันกระทำคุณงามความดีให้ทวีคูณเพื่อจะให้กิเลสตัณหาตกหล่นออกไปจากกายวาจาใจของตน จะประสบพบสุขอันเลิศประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าเคยประสบพบเห็นมาหากเราไม่พินิษพิจร า, ารณาถือว่าเราเป็นมนุษย์กว่าเป็นสิ่งที่ดีพิเศษแล้วแต่ประพฤติเยี่ยงสัตว์ไม่ปฏิบัติจิตใจไม่มีธรรมวินัยอะไรอยู่ในตัวยิ่งชั่วยิ่งเสียกว่าสัตว์ไปได้อีกเพราะ การเบียดเบียนของมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ต่างๆมากกว่าสัตว์เบียดเบียนกันไม่ว่าสัตว์ใหญ่ไม่ว่าสัตว์เล็กด้วยอำนาจปัญญาทางชั่วทางเสียของมนุษย์มันมีมากถึงเขาอยู่ในน้ำก็หาอะไรไปดักหาอะไรไปจับเขาอยู่บนบกก็จับได้อยู่ต้นไม้ก็ยังหาอะไรไปจอไปยิงให้เขา ถึงถึงความร่มความายมนุษย์ที่ไม่มีความบริสุทธิ์มนุษย์ที่ไม่มีอาจทำสัตว์ต่างๆกลัวเขาอาจจะสมมติมนุษย์ว่าเป็นยักษ์พอไปสถานที่ใดคอยแต่จะไปทำร้ายร่างกายของเขา